พระไกรบิดูดครับนี่ยตอนนั้นเป็นได่แยกกันที่ตรนนั่งออกกันั่งหนักหน่อยแต่ว่าพรไปดูดไม่ได้เป็นกองปราบปรามาาผูกขาดแล้วผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิที่จะรู้ได้ดังพระพุทธเจ้านักศาโลกทังหลายที่เคยรู้มาก่อนพระไกรดูดยังไม่อุบัตินะถ้าจะปลอมก็ปลอมถ้าหากจะติงก็ติงไปได้ถันจะปลอมก็ปอมมาได้ตั้งแต่ก่อนพระไกรไปดูยังไม่มีปัญหา ก็มีที่ตอบกันอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมาจะต้องเป็นแดดว่ากายพิดุท่านแสดงไม่พอประมาณนานมานานมาผูจ้จดจาลึกมันก็เป็นคนชนิดใดแล้วเขขึ้นอยู่กับคนเป็นคนมีกิเลสจดจาลึกมาธรรมะก็ไม่พ้นที่จะแฝงกับคนมีกิเลสไปได้ต้องเป็นไปด้วยกัน ่พุจะลเป็นพระหรหันธมะนั้นก็จะเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามภูมิขระรหานของนั้นที่มีลึกตื้นในส่วนธรรมะที่จะนำออกมาถึงโลกแต่ความรดถุดเรายกให้ท่านการจะแตกฐานแค่ไหนนั้นเป็นเป็นไปตามอุปนิสัยแต่ยังไงก็ได้ธรรมะเป็นเม็ดเป็นหน่วยออกม า, าเหมือนคนมีทิเรนที่ไปลากองค์กัวพิเรนถูกขอ ง, ข อ, งออกมา ศาสกระจายแล้วหมดธรรมะเลยอยู่เบื้องหลังมองหาธรรมะมมนนเลยไม่เจอแต่คนมีที่เรียนจดใจรึกจะเป็นหนึ่งมันน่นไงสาคัญอยู่ที่ใจนี่ไงอย่างเรื่องของท่านจันมันน่นลองดูดิไม่ใช่คุยนะมาแต่งดูดิถ้าเป็นธรรมะจะเหนื่อยไหมมันเป็นไปไดแก่งปไปได้เปล่งไปได้ลองดูดิ ธรรมะภาในจิตใจเป็นของละเอียดแล้วออนสุ ข, ขุมมากแม้จะเป็นธรรมะเดียวกันก็ตามกับพระกายพิดุเราไม่ได้ประมาทพระกายพิดกแต่ละเอียดสุก ข, ขุมยิ่งกว่าตรบนั้นเพราะพระกายิดกนี้มันขึ้นอยู่กับจิตใจทุกนายเอามาถกนนเถียงกันทุกวันหมคนมีกิเลสไปอ่านพระกายพิดกไปเรียนพระกายพิดุเช่นอริทังนี่ถกเถียงกันยุ่งไปหมดเห็นไหมเนี่ย ว่าคนมีพิเลธทำในงคงจริงแค่นั้นมันก็หัวใจันไม่ได้จริงมันตรอมมันก็ถกเถียงกันเพราะความตรองนี้ไม่ใช่เพราะความจริงผู้ปฏิบัติแล้วมองดูที่ไหนมันก็รู้หมดเหมือนช้างตัวหนึ่งนั่นอัะไรเป็นหางช้างอะไนเป็นงวงช้างอะไรเป็นงาอะไรเป็นหูอะไรเป็นหีนข้างมันก็รู้หมดคนตาดีคนตาบอดไปคําคำตรงไหนกว่าช้างเหมือนนั้นเหมือนนี่ไปเพราะอย่างนั้น ประเด็นที่ตรงไหนก็ไปยึดกันมาผิ์ดวัดอำนาจความรู้ความสดาด้งตนขึ้นกับความจําแสงความจําผิดเป็นปลอมๆไปมาโตกันรู้สมบ้าน้นําลายไม่รู้สึกปฏิบตัติตาง่ายรู้ทางความจริงของธรรมที่ท่านสอนไว้ภาพพิธามทั้งหมดอยู่ที่ไหนอืมคิดเจอสิรูปนิพานนอกแล้วไปจากจิตนี้กับกายนี้ได้ยังไงเจอสิก็ค่คิดอย่างนี้ย จิตก็อะไรลู้ยทุกวันง่ายลูกลก็ลูกอะไรลูกทำงานำทำทางคือความสิ้นทุกข์ทิ้งพิเรนทั้งหลายพร้อมันตัวผลคือทุกข์ภายในใจเท่านั้ น, นจะไปะถามใครไปโต้เถียงกันให้เสี ย, วยเวลาทม่จะตาบอดทำช้างปฏิบัติที่ ให้รู้เนี่ใครรู้มากน้อยอะไอาถานทําไมจะไม่อาถานสัมผัส ด, ด้วยใจรู้ดโดยใจเพราะปฏิบัติด้วยใจเองใจผู้ปฏิบัติใจผู้คนขวานในธรรมทั้งหลายในจิเลศทั้งหลายต้องรู้ทั้งจิเลศ จ, จากกลางละเอียดรู้ทั้งธรรมอย่างหยาดอย่างกลาอย่างละเอียดอย่างละเอียดสุดทิ้นทอนความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์จะไม่รู้ที่ใจจะอะไรเป็นผู้รู้อยู่ที่นี่ เพานอย่าไปคิดให้เสียไปนับเวลาเราพูดด้วยความแน่ใจอย่างนี้เองเราไม่ไประมาทปริยัติธรรมเราไม่ไประมาทเราถือเรากราบเราไหว้สนิทใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ไม่ใช่ในตํำรา น, นั้นและพ้าสงฆ์เจ้าประหัชหลานท่านเรากราบสนิทใจด้วยกันเราไม่ได้ประมาททั้ทงหลาย ขอให้รู้ที่ใจมันยิ่งสนิทมันไปอีกกราทํากราพระพุทธเจ้าผสงค์จะสนิทยิ่งกว่าแล้วอีกขอให้จิตมันสนิทตัวเถอะทําอะไรอะไรสนิททางนั้นถ้าจิตไม่สนิทแล้วทําอะไรมันก็ดีดๆดิ้นดินมันไม่จริงไม่จังแต่จิเขาถึงความจริงที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดิดไม่ดิ้นมันจริงจังด้วยกันไปทั้งหมดอาจจะจริงยิ่งกว่าทํา ใจเป็นผู้ทรงทํากับใจอยู่ด้วยกันการสกแสดงออกจะมีรุ่งรุ่งกันอนอดิ่ดดิ้นดิ่นหลอบหลอกรวมได้อย่างไรมันต้องเป็นจริงออกมาทุกอย่างทุกอย่างพูดออกมาก็อาถานถ้าได้รู้ไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิแล้วไม่ว่าสมาธิขั้นใดผู้รู้ต้องอาถานพารู้ด้วยตัวเองนี่พูดออกมาด้วยความรู้ความเห็นของอตัวเองทอดออกมาจะกหัวใจนี่จะจะทุกข์ท่านไปไหนความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจ นั่นเพียเดียวสันที่พี่โกได้เห็นประจักษ์ตัวเองแล้ววาปัญญาการคิดค้นคว้าหาเหตุหาผลหากิเลสประเภทต่างๆมันติดมันเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งใดอารมณ์ใดเอานำมาคลี่คลายที่พ้ะย้ายออกให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลของมันอย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วมันก็ปล่อยของมันเองไม่บังคับมันก็ปล่อยเมื่อรู้ทันแล้วเหมือนกับคน งูนั่นนี่มือคว้าลงไปในสุนเข้าใจว่าปลายจับขึ้นมาเข้าใจว่าปลาไหลอะไรนี่ลากของงูขึ้นมาพอรู้ว่า ง, งูเท่นั้นมันต้องบอกมันสลัดปั๊วเดียวเลยเห็นโพดขนาดไหนเรื่องความเห็นโทษของยีเล็ก็ต้องเหมือนนั้นเห็นด้วยพันดาเป็นอย่างนั้นไม่จะเห็นแบบรุ่มรุ่มร้อนร ด, ด, ด้วยความจดความจํา ภาพว่าดภาพออหลอกไปเองวันนั่งคำคืนนั่งดุ่งคือไม่เห็นความจริงว่าเมื่อเห็นความจริงแล้วภาพอะไรที่เคยวาดมาันล้มละลายไปหมดภาพที่เคยหลอกลวงนั้นหากพระปัญญาปฏิบัติอย่าสนใจกับสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นของเล่นของประเสริฐยิ่งไปกว่าจิตกับธรรเข้าสัมผัสน้ําผ่านกันและยิ่งกว่าจิตกับธรรเป็นอันเดียวกันนี่คือความประเส ร, ริฐเลิ่โลกไม่มีสิ่งใดเสมอหรอดูนั้นก็อยู่เถอะ ขอให้จิตกับธรรมได้อยู่เป็นอดีตเดียวกันแล้วไม่มีแล้วเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดตกยึจานให้เป็นความหนักใจเบาใจกับสิ่งใดซึ่งเป็นเครื่องเขยา่าปิตใจให้ผิดจากความปกติอันสมบูรณ์อยู่ดั้งเดิมของตอนที่บริสุทธิ์แล้วนั้นเน่มีความสมทั้งหมดอตัวอยู่อย่างนั้นตายจะไปเกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัดๆอยู่กับใจนั่นแล้ว ไม่เกิดที่ไหนไม่เกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่แล้วที่หนูสารที่ไโกเห็นประจักษ์ความเห็นประจักษ์ก็เลยการฝกปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นล่องลูกลุกครานถึงสมาธิะขั้นปัญญาโดยลําดับดับจนกระทั่งถอดถอนซะไม่ว่ากิ เ, กเลสประเภทใดที่เป็นเครื่องฝังจมเหมือนกับลูกสอนทิ่มแทงหัวใจอย่างนี้ออกหมดเลยวิ่งถอยหนี อ, อะไรจะมาเป็นภัยอืกิเลสของเรานั่นแหะเป็นภัยต่อเรา น่าจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นเครื่องใช้บัตมันเป็นภัยนั่นเป็นขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขันบบ้นจำยักผู้ปฏิบัติจะต้องโอปะนาจิโกต้องปฏิบัติมันย้อนเข้ามาย้อนเํามาจนถึงจิตและภัยอะไรอะไรที่เกิดจากจิตเห็นโทษกันในจิตความคิดความปรงุงความต้องการนั่นหมายใดๆที่เกิดไปเกี่ยวข้องกจิตปรุงแต่งขึ้นไปความต้องการนั่นหมายกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นเป็นไปจากจิตอาการของจิตที่แสดงออก โดยที่เจ้าตัวไม่ทราบทางด้านสติปัญญาเพราะสติปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็หลงสิ่งนั้นสิ่งนั้นนีนเมื่อสติปัญญาซึ่งอยู่รับการอบรงอยู่เสมอมีความแจการาสามารถคือเดินหลักแล้วแม้แต่ขณะจิที่แสดงออกกรุงถึงรูปนั้นเสียงนี้กลิ่นนั้นอะไรอย่างนี้มันรู้ทันทีทันทีทันทีทไม่มีอะไรเป็นภัยนีน่ะมันมีตั้งแต่เรื่องขันห้านี้เป็นภัยต่อจิตใจอยู่ทั้งนี้น รูปเขก็เป็นรูปมีมาตั้งแต่นั่งเดินแต่ยังยังไม่เกิดเสียงก็มีมาแต่ยังยังไม่เกิดอถัดเปลี่ยนวนเวียนกันไปมาอยู่เช่นนี้ดินรถเครื่องทั้งหลาก็เหมือนกันมันอยู่ตามสภาพของมันแต่ว่ามันมีไม่มีใช่บางมันดีไม่ดีมันกม็มีความรู้สึกมีความหมายในตัวเองของมันนอกจากจิตเจ้าตัวจอมโง่และจอมมายาสาถายหลอกลวงตัวเองให้ตะกติดเพรามัน โดยสําคัญว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้อันนั้นดีอันนี้นดี น, นดไม่มีอย่างอื่นที่มาหลอกนี่ปัญญาไม่มาลาพิจารณาแล้วมันตล่อมเข้ามามันรู้ตัวเฮ้ยมันจะไปคิดเกี่ยวกับทานเวลาอะไรรูปก็รูปแล้วนัน่นคิดมันเป็นอะไรปรุงขึ้นมาทําไมอืเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่นรสก็รสนั่นมีกตามหลักธรรมชาติของมันเวลานอนหลับสนิทไม่เห็นไปกิ่ไม่มีฝันแล้วไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเหมือนกับมันไม่มีมันไปอยู่ไหนอเวลาจิตมัน ดับกิเลสจนสนิทแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นเข้าไปเกี่ยวข้องใจันเป็นยังไงโดยรานี้มันทั้งเกี่ยวข้องนักเพราะว่ามันมีสายโยงกันรุ่งอยู่ภายในเราตัดกันยังไม่ขาดอืปัญญาองจึงย้อนเข้ามาพิจารนาเห็นตามความจริงของมยอย่าล้นละความเพียนอย่าเห็นอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่างานคือการดเดินน ม, ม, มกลมนั่งสมาธิภาลนานี่คืองานเลื่องานประเสริฐงานลือวะตาสงสาร ออกจากหูใจคืองานอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญด้วยงานอันนี้มาตลอดจนกระทั่งในตรัสรู้เป็นปาสดาเอกของโลกพระสาวกก็เหมือนกันไม่มีงานอะไรที่จะทำให้ท่านพิเศษพิสโสได้ยิ่งกว่างานเดินโยครมนสมาธิภาวนาพิณิพิจนานด้วยสติปัญญาเกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดๆจนรู้แ จ, จ, จ้งจริงๆและถอดถอดนได้โดยลําดับๆจนกระทั่งหมดโดยชิ้นเชิงเพระ ง, งานประเภทนี้นี่จึงมาเป็นงานประเสริ แล้ยังผลนปรากฏเกิดขึ้นภายในตนทั้งหมดกังหมดโลกมันจะมีกี่โลกก็ช่างมันเถอะไหนต้องไปนับมันเสียเวลาล่ะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจักรวาลก็ช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของสภาวัธรรมแต่ละอย่างอย่างสคัญที่จิตที่มันกวนตัวเองนี้เท่านั้นก่ะกอภัยก็คือเรื่องก่อควนตัวเองที่ออกจากขันขันนี่มันมีเชื้ออันใหญ่โตเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่จริง คือวิชาตจียาสั้งข้าวลายว่าไ ง, างถ้าไปหาที่ไหนาหาวิชามันสังจมอยู่ภายในใจเพราะฉะนั้นจึงต้องเบิกออกเบิกออกทาฐานเข้าไปมันเกี่ยวยงไปถึงไหนตามพิจารณามันเกี่ยวกับรูปรูปไหนค้นลงไปให้เห็นตามความจริงของรูปแล้วก็ให้รู้เรื่องมันก็มารู้เรื่องความต้องกัรท่านหมายตัวเอง โดยลำดับๆคือหลายครั้งหลายหนมันเข้าใจเองแล้วมันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเมนวงแคบทีแรกมันก็กว้างขวางปัญญาณเพราะมันยังไม่เข้าใจในจินตไดอยากรู้อยากเข้าใจอยากเห็นอยากผ่อนอยากผอนมันก็ต้องเป็นเต็มเหนียวหองมันแต่ในข้างเข้าใจแล้วมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญามันก็ย้อนตัวเข้ามาหาที่ติดที่คล้องตามสายเข้ามาสายหลงก็ออกมุม ออกไปจากหญิงนี้แล้วก็ไปนู่นไปนู่นประยองระยางเป็นภาพนั้นภาพนี่หลอกเจ้าของอยู่นู่นภาพบ้านภาพเมืองภาพหญิงภาพชายภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ประโยองระยางรอบตัวนี่ตั้งแต่ภาพออกไปจากขันออกไปหลอกพิจารณาสิ่งนั้นก็มีเห็นมีอะไรแล้วตัวที่ไปวาภาพนี้มันก็ดับไปถ้าเราทันนั้วมันก็ดับเพียงแยบเท่านั้นยังไม่เป็นภาพมันก็ดับไปแล้วถ้าไม่ทํานะโอ้มันก่อข้าเนือไปไหม ยาเหียดจนหาคืนหานมายปลายทางมาได้แล้วหลงมันจ น, จน ต, าตาก็ยังไม่มีวันเห็นโทษหาที่รุ้ติไม่ได้ถ้าปล่อยไปตามพิเดวแล้วเป็นอย่างนั้นต่อให้ปัญญาพิจารณาตามมันตัดได้รู้ได้เมื่อรู้ได้มันก็ตัดได้ขาดก็มาเป็นลำดับหนัหน่ผลทุกท่านมันก็มีแต่เรื่องออกมาไปจากขันขันที่มีอวิชชาเป็นเครื่องทําดันออกมานะปัญญา นี่หละ ง, งานประส่วยกิงให้จังกับงานนี้อย่ารลุนละม่บอ ย, อย่าเห็นว่าอะไรจะเยอะเลิศยิ่งกว่างานนี้จะเห็นสมบัติใดที่จะเลิศยิ่งกว่าสมบัติคือทำมาสมบัติภายในใจซึจ่งเราค้นคว้าหามาแล้วเองเป็นสมบัติของเราโดยแท้หมาว่าจะเป็นจะตายเป็นตัวของตัวโดยสม่วบุอย่าไปหลงโลกหลงของสารโลกนอกโลกใน มันเป็นโลกด้วยกันก็ความทุกได้ด้วยกันา้งนั้นรู้เท่าโลกด้วยการพิจารณาทางสติปัญญาหลอขอบขอบคิดอยากจะรู้ทั้งโลกนอกรู้ทั้งโลกในรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปิกามันจะวิ่งเต้นแึ่นกระโดดไปไหนเท่าที่มันวิ่งเต้นแผ่นกระโดดก็เพราะมันไม่รู้มีสิ่งผลัก ด, ดันให้มันต้องวิ่งเต้นแึ่นกระโดดแตไม่มีวันมีคืนเดินแน่นอนนี่แต่ความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายถตลอดเลย มันเข้าใจโดยสติปัญญาแล้วมันจะไปไหนเมื่อเข้าสู่ความปกติของตนโดยสบายเท่านั้นเองผลก็คือสันติธรรมเป็นขั้นขั้นความสงบก็เรียกสันติสงบจากกันโดยสมาธิเป็นสันติสงบเพราะที่เลยมันขาดไปโดยลํานับดับก็เป็นสันติที่เลยขาดก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นเรานัดติดสันติพลังสุขังไม่มีความสงบอื่นใดที่ยิ่งประกว่าความสงบ เพราการสิ้นกิเลสมีเราเพิ่มเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เราให้จริงให้จริงผู้มาศึกษาอารมอย่ามานอนใจอย่ามาประมาทไม่ว่าติดนอกการในให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเรื่องความขยันหมั่นเพียรทำเรื่องความจงใจจริงๆอย่าสักแต่ว่ามาอยู่เฉยๆสถานที่นี้ไม่ใช่มาร่างมือเปิดต่างคนต่างมาสอบมาแสวงหาุลงานความดีอันใดที่เป็นสาระประโยชน์ จากการปฏิบัติของเราแล้วให้ทํานะว่าตะกิจภายนอกเกี่ยวกับหมูกระเพื่อขอว่าปฏิบัติทำจริงจริงจังๆอย่าทําเล่นทําทเล่นทำไม่จริงไม่จังนนั้เข้าไปภายใน้ําก็เหมือนกันเนะข้าใจดวงนี้ต้องจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นความชอบธรรมกับข้อปฏิบัติแล้วเอาเอาให้จริงจังัน่นผู้ปฏิบัติก็เป็นแบบนั้น เราได้ชมที่ความอำนาผลนิพพานทำไมได้ยินแต่ท่านประกาศลั่นโลกมาได้ 2,500 ปีกว่าแล้วม่ได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงเลยตัวอำนาจผลนิพพานเราไม่เคยสัมผัสทางจิตใจเลยมีอย่างเหลือทั้งที่เราก็เป็นลูกศิธตธฐถาก็ปรากฏตัวเป็นสากกบุตรมานี้เป็นหลายหลายปีแล้วแต่และองค์องค์บทมากี่ปีกี่เดือนที่เหลือหลุดลาไป มากน้อยเพียงไรได้ลบได้บวกกันบ้างแล้วอย่างหรือมีถึงแต่ว่าจะดีจะดีอยู่เรื่อยจะดีด้วยนั้นดีด้วยนี่ดีด้วยการตกพรกอเวจีดีด้วยความรักความชังดีด้วยความโลภความโกรธความหลงดีด้วยความ่งเพือเห่ถ้าดีโลกดีไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของดียิ่งไม่ควรจะสนใจคิดให้เสียไปด้าเวลายิ่งกว่าการค้นคว้าให้มันรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้แล้จะถอดถอนเส้นหนามหรือความกังวลทางจิตใจนั้นจนออกหมดสิ้นไปจะเป็นความสะดวกสบายขนเสียใจ เพราะเรื่องนา ม, มาทําที่เป็นขึ้นรู้เห็นกับใจนี่ไม่สามารถที่จะมาถอดเราดูนะนี่นาฬิกาเป็นยังไงเนีย่ยพูดอย่างนั้นนะเพราะเราพูดในวงของเราเองเหมือนเลือดเนื้อเดียวกันผมรักจริงๆ ร, รักหมู่เพื่อนรักอย่างสนิทเป็นธรรมไม่มีเอียงมีเอ็เนอะไรเลยรักอันนี้รักไม่เหมือนโลกพูดถึงเรื่องความรักหมู่เพื่อนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็เป็นอันเดียวกันนั่นจึงต้องอุตสาหพยายามจดจ่อ ทั้งตาทั้งหูฟังทุกสิ่งทุกอย่างหมูควรแสดงอากับปียาประการใดพราะเราเป็นอาจารย์ก็เหมือนครูมวยละสิจะว่าไงบกพังตรงไหนก็เตืนอนบกพังตรงไหนก็เตือนเวลาฝึกซ้อมมันกับผู้ศึกครูก็าต้งเตือนอย่งนั้นนะอจะปล่อยตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นซ้อมมันไปซ้อมมันไปจะเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกเรื่อยนะพอครั้งที่สามปั๊บเนี่ยถ้าควรคือมันเปิดตรงที่ควรเตะ เขาก็ไต่ป้ากเลยอย่าเปิดตรงนี้แล้วควนต่อยก็อย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นพอครั้งที่สามก็ปุ๊ว่อย่าเปิดตรงนั้ น, น, นลูกสิตมันก็เข้าใจเพราะครูต่อยไม่เหมือนคู่ต่อสู้ต่อยไม่ตายเพราะต่อยเพื่อสอนี่เจ็บก็เจ็บพอให้ตดจำเท่านั้นเองไม่ได้เจ็บมากยิ่งกว่านั้น เพราะการฝึกซ้อมไม่เหมือนการเอากันจริงๆบนเวทีเหมือนก็ต่อสู้กันถึงจะหนักมือขนาดไหนก็ไม่ถึงเวลาต่อสู้กันจริงจอันนี้ตุกติดตะเกียร์ที่ตรงไหนดุที่ตรงไหนอาที่ตรงไหนว่าตรงไหนนั้นน่ะคือเปิดตรงนั้นพูดไ ง, ไง่ายๆเราจรึงสงวนมากากับพระกับนินของเราใครมาตั้งใจไปปฏิบัติเรายินดี สมเจตนาของเราที่มีความตักไปต่อหมู่ต่อเพื่อนอยู่อย่างเต็มหัวใจเราไม่ถืออะไรภาย น, นอกเป็นของสำคัญยิ่งกว่าพระเนรของเรานะเราเห็นพระเนรของเรานี้เป็นพุ่งมุ่งหน้ามุ่งตามมาหน้าเสียสณะทุกสิ่งที่อย่างมอบกายวาจาใจห้องยิ่งเจริญพระศาสนาแก่ครูบาอจารย์แล้วเรารับด้วยความเป็นธรรมอาจารย์โยเมพันเตโหหิว่ามาแล้วโอไปกลางปฏิรูปังเรื่อยไปรับกันเป็นธรรมเป็นธรรม าการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงสั่งสอนด้วยธรรมไม่ได้สั่งสอนศักดิ์แต่ว่าสอนนะ่ะสอนหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฟังศักดิ์แต่ว่าฟังให้เฉยจึงเข้ากับเรื่องพูดสอนด้วยความเต็มใจสอนอย่างแท้จริงไม่ได้มันไม่เป็นธรรมให้หมู่เพื่อนฟังให้ดีห็นครับว่าเรืนสิ่งที่ทอั้งให้ดูได้หมู่เพื่อนจะได้เห็นไปนานแล้วอย่งทํามทั้งหลายที่แสดงออกมานี้ออกมาจากความจริงเราพูดอย่างกองไปกองมาท่าในวงของเราเอง เราไม่มีความสงสัยสิ่งใดแล้วในโลกนี้อันจะปฏิบัติมาเต็มูมิกําลังความสามารถของเราทั้งการที่ปฏิบตัติทั้งความรู้ความเห็นเราแน่ใจว่าเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วความรู้เราหมดว่าสนาเพียงเท่า น, นี้การปฏิบัติก็ยิ่งล่วงโรยลงไปลงไปเพราะกาลังบังขาฉันอ่อนลงไปอ่อนลงไปทําสักตะกิริยาไปนั่นแหละเตืนยังคงก็เดินไปงั่นแลหละนั่งพอหน้าก็นั่งไปนะแต่ดูกิริยานี้ มันก็ดูไม่ได้เราเองเรายังดูเรายังไม่ได้แต่เราก็ทราบเรื่องสภาพขอ ง, อ ง, ง ร, รงอ่างกายและจิตใจเป็นยังไงจึงต้องทําอย่างนี้เวลานี้นี่เราก็ทราบของเราได้ดีถึงไม่ําหนีพราะทราบแล้วทำหนีได้ยังไงเติมหนี้ให้ดีกว่านี้มันก็ไม้ดีผู้ถือกําลังวางชามีที่ควรที่จะให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยในะความภากคมเพียจรจึ่นขอให้ทุกๆ ท, ท่าน จะตั้งนาคังเาเพื่อปฏิบัติอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะยิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมภายในใจงานใดก็ตามในโลกนี้อย่าเข้าใจว่าชิวิสิโสยิ่งกว่างานเดินโยกรมนต์ธรมที่ภาวนาเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะในขณะเดียวกันเพื่อทํำจะได้โถขึ้นมาให้ได้ชมภายในใจที่กว่าสันทิฏโตเสนติโกหรือปัจจังเวตาบุญยู่อย่าให้ได้ยินตั้งแต่ข่าวมา ถ้าสงสาร่าองค์นั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นเดินอยู่ในทางยังกรมนั้นดูด้วยสมาธิบรรลุอยู่ด้วยสมาธิบรรลุอยู่ด้วยการเดินยังกรมบรรลุอยู่ในถ้าในเงื่อมผาที่นั่นที่นี่ตัวของตัวไม่บรรลุอะไรบรรลุตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงบรรลุตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านจนขี้เกียจจะบรรลุจนหาที่ไห้ความบรรลุไม่บรรลุว่าความบรรลุไม่มีมันเต็มไปหมดนะหัวใจ ซึ่งเป็นเรื่องกลงข้างกับหลักธรรมที่คุณเจ้าทรงสอนไว้รักษาวกขณะท่านรู้ท่านเห็นมันกลับกลงข้าวหไปหมดท่านอย่าลืมตัวในสิ่งเหล่านี้ตั้งใจคิดปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมาโขนในผานอยาไปคิดให้นอกเหนือไปจากตายกับผิดซึ่งมีอยู่นี้ค้นไปปปนนนี้สติฐาเเ็ครื่องรรับองเป็นหินรับสติปัญญาได้ดีสัจธรรมทั้งสี่ก็เหมือนกันเพราะย่างยิ่งมาก นี่คือสติปัญญาเป็นต้นเอาทุกนั่นแหละเป็นเครื่องนับมันจะเกิดมากเกิดน้อยพิจารณาให้เห็นความจริงยาไปสนใจกับเรื่องมันจะหายแต่มันจะล่มจะตายจะไปสนใจตนี้จะธาตุสี่ท่ามันแตกลงไปัตามเรื่องของมันแจะความรู้จริงเห็นจริงยาได้โลละให้ค้นลงไปพิจารณาก สมาธิก็ให้รูดกับใจเจ้าของเองเราเป็นเจ้าของสมบัติคือสมาธิแท้เองเป็นเจ้าของของสมบัติคือปัญญาแท้เองและเป็นเจ้าของของมรรคผลิพานแท้เองด้วยการปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่สนิทใจมากอยาให้มีกันตัชื่อชื่อพระชื่เอเนนเฉยเฉยชื่อผู้ปฏิบัติเฉยให้มีทั้งทั้งชื่อทั้งตัว การประกอบความภาคเพียงก่อนมีทั้งตัวจริงรู้เหตุรู้ผลกันไปโดยลําดับด้วยการปฏิบัติของเราอย่าไปคาดว่ามรรคผลยิ่พันอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหนกําลังร้อนช้างเราจะสู้ได้ไหมอาหํานาจรัศน์นังเรามีมากมีน้อยมีมากไหมมีน้อยกําลังมีเท่าไรฟาดลงไปตายแล้วก็รู้เองนว่าตายหูต้มกันญินไม่ได้เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันรู้เอ๊ะ ผมนวิตงวิจาร์คำูลเพื่อนห้ายแงย่หลายทางจนไม่ชนะที่จะนํามาพูดได้และไม่อาจจะนามาพูดได้ทุกแง่ทุกมุมอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งไม่คิดเกี่ยวกับหมู่คนะได้เลยมันต้องคิดยิ่งเป็นคนวัยนี้เลยแล้วก็ต้องคิดมากนอกจากพูดบ้างมาพูดบา้างปรนมาณเป็นพ่วงที่ถุดก็คือการคิดปฏิบัติมาดูเหตุเป็นผลอะไรเลยนี่มันก็เสียความมุ่งหมายของผู้อบรมสอนด้วยความเต็มใจ จ, จริงจริง ไม่ใช่น้อยเหมือนกันมันอยากให้ผู้ปฏิบัติผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับผลจากการปฏิบัติของตนเป็นเครื่องตอบแทนเราจะเป็นที่ยินดีด้วยไม่น้อยอธิบายธรรปัญญาอธิบายถ้าตายมันจะหนักขนาดไหนว่ามันเลยตายไปเหลือเอาเลยตายครับโยงไปตรงนั้นให้สติตั้งจอดนันอ้ามันจะปุ้งเรื่องอะไรขึ้นมา ความปรุงนี่มันปรุงมาตั้งแต่ขณะตื่นนอนจนกระทั่งบัดนี้มันไม่เคยหยุดแล้วตั้งแต่วันเกิดมันกะังปัจจุบันไมาหยุดมันเสียดายอะไรวัดเราจะให้ปรุงจิตปรุงทํานหรืเราบังคับเพื่อเพื่ออัดเพื่อทํามันทำไมมันจึงทําไม่ได้มันจะตายด้วยการบังคับเพื่อทํานี่ความมันตายเลยที่เอาลวงนั่นสิวิธีการปฏิบัติตัวเองต้องมีอุบายพระิปัญญาแก้ไขตัวเองให้มันทันกับเหตุกับผลจึงเรียกว่าฝึกทรมานตน อะไรก็จะคอยเอาแต่จากครูบาอาการย์หยิบบึงอะไรก็ุ่มมาหยุบมือไปหมดมันไม่ได้เรื่องอ่ะถ้าจะาขอไม่สนใจต่อเจ้าของเองเพื่อให้ได้เงื่อนขึ้นมาติดต่อต่อขแขนงันออกไปออกไปมันไม่ได้เรื่องนะหาบายแก่ของปัญญานอนเฉยไม่เกิดแล้วเวลาจนตอกมาอันหนึ่งแล้วชอบคิดบังคับพี่จินดาอช้ความบังคับเรื่สติ ถ้าคิดพอได้เงินได้เห็นผลบางแล้วทีนี้มันค่อยเดินออกมัาห้องวันเรื่อยๆเอยๆแล้วก็ไปไปเจอนั้นได้เจอนี้เจอตรงไหนก็ฝากตรงตรงนั้น <c oughs> เจอคือมาก็มาเจอค่าถุดแล้วเอารอบกันตรงนี้ <c oughs> หรือว่าเจองานแล้วทํางานตรงนี้ <c oughs> กระทุเอาจนเข้าใจเพราะเขาจะตกหายครับลบโคตคุยเขียนะอีกเอามันจะได้เห็นได้ผลเป็นกับตาศสนาไม่กับความเพียรนี่ยาศาสนะที่อื่นมันไม่มีสาไม่ ม, ม, มีเป็นที่ดินมงคลอะไรเลย ท้าสาล่ะลงกับความเพียนนี่นั่นตัวที่บางคนเอาลงตรงนั้นมังคับเซ่แต่ครูบาอาจารย์มังคับได้ยังไงไม่ใช่เรื่องของครูอาจารย์่สอนนั้นแล้วเราเอาไปผกผลกรรมเรานนอเองถูกต้องอ๋อแกเล่นเล่ น, เ ล, นเล่นนะผมหันหน้าเข่าฝาแล้วให้มี้เวลาครูอาจารย์ัมาก น, น้อยก็าแใ่เลยว่าศสนาน้อยนี่แต่ไม่นานนะ้าเมียหนึ่งคลิกขึ้นมาปับแกกันเลย มันน้อยอะไรอย่างนี้วะมันหาเรื่องอะไรก็มาหาวัานาอย่างนี้อ่ะมันรู้ว่ามันน้อยเอามันมากสิมันนั่นลํำลืนสิโอ้ยเจ้านั่นลำลือเพราะความสอบแสวงหาในนาวาในตอนนี้พอใจอย่างนี้่เอาอย่างนั้นดีการปฏิบัติตนี้ว่าัฒานิชคอนพอเป็นไปกากระตือดือร้นเป็นบ้าแบบนีู่โลกผมนั่นควรมากนะพระวันน่ะสำคัญตัวสาคัญ หาเรื่องนั่นขึ้นหาเรื่องนี่ขึ้นหาเงินไม่ใช่อะไรนะ<ม>พี่เล็กเดี๋วนี่มัเข้ามาในรัฐบาลนี่ตั้งแต่เนบอกตอนที่มาจากน้องคาตอนนั้นมานิมนท ร, ร์นอนป้ายว่เจ็บๆเลยใช่ไหมฮะมาเมาแอบย่างนเห็นก็นเฉย เ, เป็นธรรมดาแล้วไม่อัศจรรย์นสิ่งที่เราอรัศจรรย์คือทบ นอกจากนั้นเราไม่อาเซจันอะไรเลยเฮถ้ามาผมก็มาที่มาสู้กับเราถ้าไม่ใช่ธรรมแล้วหึขิดกันใหญ่โตเถอถ้าเป็นธรรมแล้วผมเส้นหนึ่งแล้วไม่ข้ามเราเคารพที่สุดสุดหัวใจเรามีธรรมเท่านั้นในโลกทั้งสามนี้เราไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องยุ่ยหรือเป็นพอนพะจะสนใจกับมันให้เกียรติก็ไม่ม่าถ้าเป็นธรรมแล้วหมอบทันทีพอเราเคยเห็นผลจากธรรมมีมากน้อยที่ปรากฏขึ้นในใจนี่ ทำให้เกิดความถูกความเย็นใจได้โดยหลักๆจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้เรายังไม่เคยเห็นอะไรว่าจะยิ่งกว่านี้เลยมันที่เราทราีาา่ทําให้ทราบและชัดว่าธรรมสูงกว่าทุกสิ่งเจอธรรมขั้าานไหนเข้าไปจริงที่เป็นคู่แข่งกันกับธรรมขั้นนั้นมันขาดไปขาดไปขานไปก็แสดงว่าธรรมสูงกว่ามันนะมันมีคู่แข่งเป็นระยะระยะตามขั้นของธรรมตามขันข้นของที่เลือที่เหลือประเภทนี้เป็นคู่แข่งกับธรรมประเภทนี้ เช่นความฟุ้งซ่านวุ่นวายหาหลักไปไม่ได้นี่ก็คือคู่แข่ของความสงบความสงบไม่มีสิ่งมันนี่มันก็จุ้นได้ความสงบมีแล้วอันนี้มันจสงบไปเรื่องอะไรมันก็ไม่ค่อยคิดสงบมากก็อะไรมันยิ่งไม่คิดมีแต่ความเย็นยน่งใจแล้วยิ่งไปขุดค้นในปัญญาประเดิมหนักแล้วเอาละทีนี้เอารากแก้วมดอกราาแก้วดอกแต่ละต้นละกลิ่นนี่เอารากแก้วมันออกมันมีหายล่าแก้ว ถ้าเราพูดรวมใหญ่ก็จะว่ารากถอยมันเไปถ้าเราพูดเป็นทิ้งไปอะไรของมันเหมือนต้นไม้เล็ก ๆ, ๆน้อยๆนะมันเป็นต้นเป็นลำของมัน อ, อถอนออกต้นเล็กต้นน้อยถอนถออกแล้วก็ถอนต้นใหญ่ขาดขงต้นน้อยแล้วก็กว่าต้นใหญ่ลงเป็นยาเป็นอ่านั้นนะแล้วทีนี้มันก็ปล่อยไปเรลยนี่เยเพราว่ารถแห่งคำใช่มากใช่รท้งกลวงผิดที่ไหนดูเจ้าบ้าเมื่อ ทำเต็มหัวใจแล้วมันปล่อยหมดเลยนีไม่มีอะไรเสมอแล้วนะ่ะปล่อยเต็มที่อยีแม้แต่สุดตัวเองก็รู้เท่าตัวเองไม่ติดในนั้นอีกนี่นั่นที่งรเวลานี่มันพาดูดอะไรดื่มอะไรมันไม่ใช่เรื่องรสชักของโลกนั้นนะมาทําหลอกโลกจิตใจให้ดูดให้ดื่มในสิ่งนั้นในสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆนั่นแนหะคือขั้นสของใจให้จํากันไว้นะเอาฟาดฟันมันลงไป ตัวดูดตัวดื่มอันไม่เป็นค่าอันนอกรูกนอกทางนั่นแหละคือค่าสุดต้องทําได้เป็นที่เลททั้งนั้นพลาดมึงไปให้หนักมือตายก็าตายเราจะไปถอยเราเป็นนักรบแล้วไม่ใช่นักหลบมิจะหลบแต่ซ่อนเนี่ยคลองแคลนดูไม่ได้มาโสงประยุทธ์ศิรดขจรกุศลอาหารเคี่ยวชาที่ิดสลัดธรรมญาอธิบายอยู่เพื่อนตังไหน ท่านข้าก่อนนาท่านก่อ